ธรรรมญาตตรากลับไปเที่ยวนี่แตกต่างกันมากนะ่ที่จริงไม่ต้องบอกก็รู้แต่ถ้าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยก็คงมีคาตอบมากมายนะแต่ช่วยที่สาคัญอย่างนีคือว่าไปเที่ยวนี่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราประสบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราเลือกขณะที่ธรรมญาติตรานี่สิ่งที่เจอสิ่งที่ประสบเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกอย่างเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางพาหารนะสถานที่พักแรมอาหารเครื่องดื่มเราเป็นผู้เลือกเป็นส่วนใหญ่แต่ธรรมยาตรานี่ตรงข้าม เ, เราไม่ได้เป็นผู้เลือกเลยผู้จัดเขาก็เลือกให้เราจะเป็นอาหารจะเป็นสถานที่พักแรมนอกจากเราไม่ได้เลือกแล้ว ยังเรื่องไม่ได้ด้วยเช่นอาหารเนี่ยเขามีมาให้เราก็ต้องรับเส้นทางมันยาวไกลแม้จะเหนื่อยแต่ถ้ากระบวนอย่ยังหยุดเราก็หยุดไม่ได้แดดร้อนถ้าเราไปเที่ยวเราก็หลบเข้าร่มเงา หรือไม่ก็ไปเข้าร้านกาแฟแต่ธรรมยาตราเนี่ยแดดร้อนเราก็ต้องเดินเราเหนื่อยแต่เราเราก็หยุดไม่ได้ถ้าขาบวนยังเดินอยู่เข้าห้องน้ำถ้าเกิดว่าห้องน้ำตกปั๊มนี้มันเต็มเราก็ไปปั๊มใหม่หรือว่า ไปสถานที่ใหม่แต่ที่ธรรมยถ า, าเนี่ยคิวยาวกาจริงก็ต้องรอเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นอาจเป็นเพราะว่าธรรมยถ า, าเนี่ยเราต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างในแต่ละวันที่เราไม่ได้เลือกและเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมมีความรู้สึก เป็นทุกข์หรือว่าไม่สมหวังรู้สึกขัดเคืองใจแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะไอความความทุกข์ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้สิ่งที่เราเจอในธรรมญาตตาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกแล้วก็เลือกไม่ได้แต่นั่นคือสิ่งภายนอกอาหารอากาศสถานที่ แต่มีอย่างหนึ่งที่เราเลือกได้นะคือเราเลือกที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไปกับสิ่งเหล่านี้อาหารสถานที่อากาศนะแม้วันจะไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกแต่เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้อยากรู้เคล็ดลับไหมทำไมถึงจะไม่ทุกข์อ่ะยอมรับมันอย่าผลักไสมัน อย่าปฏิเสธมันเพราะตอนทีที่เราไม่ยอมรับทันที่ที่เราปฏิเสธผักใส่เนี่ยใจทุกข์เลยเพราะว่าความทุกข์ของความทุกข์ในใจเรามันเกิดจากภาวะที่ดิน้นนะดิ้นมันก็ดิ้นสองอย่างดิ้นเพราะอยากได้นะกับดิ้นเพราะอยากผักใสหรือว่าอยากกําจัดให้ไปไกลๆหรือให้หมดไปเจออะไรก็ตามเนี่ยถ้าใจเราไม่ผักใส่มันนะ มันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่หงุดหงิดมันอยู่ที่การยอมรับความทุกข์ใจมันเริ่มขึ้นเมื่อเรามีการผักใส่แล้วก็บนบวยวายตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นหรือคร่ําครวนไอ้ตรงนี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาหาเรา โดยที่เราไม่ได้เลือกแล้วก็เลือกไม่ได้นะแต่ถ้าใจเรายอมรับมัน <c oughs> พอใจเราเป็นปกติเนี่ยนะมันมันจะทุกข์ได้อย่างไร <c oughs> มีเพื่อนคนหนึ่งนะ <c oughs> เธอเป็นมะเร็งตอนอายุสามสิบมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยคือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ <c oughs> เป็นชนิดที่เกิดขึ้นกับคนสูงวัย นะกว่าหมอจะเจอนี่ก็ใช้เวลานานเพราะหมอไม่คิดว่าคนวัย0อย่างเธอจะเป็น <c oughs> เธอก็โกรธหมอแต่ที่ทำใจได้ยาคือมะเร็งเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเธอมะเร็งแบบนี้ที่จริงมะเร็งแบบไหนก็ตามนะก็ไม่ควรเกิดขึ้นเธอทำใจไม่ได้เธอไม่สามารถยอมรับโรคมะเร็งเธอก็ทุกเธอก็ รเธอก็เวียนวิ น, นใส่ผู้คนรอบข้างทั้งหมอทั้งคนในครอบครัวก็ทุกข์มากเลยแต่แล้วมีช่วงนึงเธอได้มาปฏิบัติธรรมเจริญสติมาดูจิตดูใจของตัวเองแล้วก็พบว่าเหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญเนี่ยก็คือการที่ใจเธอไม่ยอมรับโรคมาเรง เธอปรับใจยอมรับมันปราะกวัวแม้มะเร็ง ม, มันจะลามไปเยอะแต่ว่าใจเธอกลับสงบแล้วเธอก็พูด ป, ประโยคหนึ่ง2ประโยคนะว่าความจริงบางทั้งก็โหดร้ายนะแต่การไม่อยอมรับความจริงต่างหาที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้อะไรก็ตามที่เราเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่อยากซ้ําเติ่งตัวเองในเมื่ออากาศอากาศ ก็อ้าวแดด ก, ก็ร้อนอยู่แล้วอันนี้มันก็ทุกข์กายอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรากําลังจะซ้ําเติมตัวเองเพราะว่านั่นแหละคือการสร้างทุกข์ให้กับจิตใจแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ทุกข์ใจไปด้วยอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองแล้คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะก็ควรจะจํากัดขอบเขตของความทุกข์ให้มัน ให้มันน้อยที่สุดคือถ้าทุกข์ใจหรือป่วยถ้าทุกข์กายหรือป่วยกายนะก็ให้มันป่วยแค่นั้นอย่าให้ป่วยใจหรือทุกข์ใจไปด้วย <c oughs> ทุกข์กายเนี่ยก็เพราะสิ่งภายนอกเช่นก้อนมะเร็งอากาศแดดร้อนลมหนาวแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกข์ใจไม่ได้ ทุกใจเนี่ยนะมันก็เกิดจากใจเรองใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผลักไสใจที่ตอบต้านใจที่บน่นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะลองสังเกตดูก็ตามนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราลองรักษาใจให้สงบเป็นปกติรถติดก็ยอมรับมันซะในเมื่อมันเป็นธรรมดานะ ของการสัญจรในเมืองเช่นในกรุงเทพยอมรับมันติดก็ไม่ตกนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยลถติดแล้วจิตตกก็เพราะว่าใจไม่ยอมรับอาจจะเป็นเพราะการปรุงแต่งหรือมโนวะเนี่ยถ้าลดติดหน่อยกว่านี้เดี๋ยวจะไปทำงานสายผิดนัดสำคัญส่งลูกไม่ทันหรือว่าตกเครื่องบิน พอคิดแบบนี้เข้ามันอนาคตทั้งนั้นเนละแต่พอคิดแบบนี้เข้าใจมันก็ไม่ยอมรับมันก็ฮึดฮัดหงุดหงิดแต่ถ้าว่าเรารู้จักปรับใจให้มันเป็นปกติได้รถติดจิตก็ไม่ตกนะแทนที่จะในแทนที่จะเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยนะซึ่งเป็นการซ้ำเติมตัวเองมันก็แค่เสียเวลานะ แต่ไม่เสียอารมณ์ไม่เสียสติเสียอย่างเสียหนึ่งอย่างไม่ใช่เสีย2อย่างของหายก็เหมือนกันนะโทรศัพท์ iPhone หายโอ้โหรูปในนั้นเพียบเลยนะเป็นร้อยเป็นพันรูปถ้าเสียใจแล้วยอมรับไหมถ้าเสียของแล้วยอมรับไม่ได้มันก็เสียใจแล้วพอเสียใจแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ พอกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เสียสุขภาพไปทํางานไปเรียนหนังสือก็ไม่มีกะจกะติใจจะเรียนไม่มีกะจกะติใจจ ะ, จ ะ, จ, ะจะทำงานงานก็เสียการเรียนก็เสียแล้วบางก็เสียเพื่อนด้วยเพราะว่าหงุดหงิดเพื่อนมาหยอกมาเลาะนะแต่ก่อนก็แซวกับแต่ตอนนี้ไม่แซวแ ล, ล้วด่ากลับเลยเสียเพื่อนแทนที่จะเสียหนึ่งนะมันก็ไปเสียอีกหลายอย่าง เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนอันนี้เพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาแต่กลุ่ม อ, อกกลุ้มใจเวลาเราเดินนะแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นทางไกลเมื่อเจอแดดร้อนเนี่ยหรือว่าเมื่อมีเสียงดัง เสียงคนข้างๆนะพูดนะรบกวนการเดินของเราลองมองดูดีๆจะพบว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นเหตุให้ใจเราทุกข์นะแต่เป็นเพราะใจเรายอมรับไม่ได้ใจเรายอมรับมันไม่ได้สมัยที่หลวงพ่อชายยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะ มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะก็คือว่าหมู่บ้านรอบๆเนี่ยใกล้ๆวัดหนองประพงเนี่ยก็มีงานฉลองก็มีหมอรสถสามวันสามคืกนกลางคืนนี่ก็มีหมอลำหนังกลางแปลงเพลงลูกทุ่งนะบอกว่าพระในวันนี้นอนไม่หลับเลยก็เลย ส่งตัวแทนไปเจราจากับผู้ใหญ่บ้านว่หาหมอรศเนี่ยนะจะมีก็ไม่ว่านะแต่ว่าพอถึงบ3สาม เ, าเานี่ยพอถึงตีหนึ่งเนี่ยพอถึงตีหนึ่งให้งดได้ไหมเพราะพระจะได้นอนสักสองชั่วโมงตีสามก็ตื่นขึ้นมาทำวัดพอมีเรื่องมีแรงหน่อยปราก็ว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าภาพนี่เขาไป ติดต่อนะหมอสศต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายมัดจำด้วยพาทำไงอ่ะก็ต้องไปหาหลวงพ่อชาหวังว่าหลวงพ่อชาจะช่วยได้เพราะว่าท่านก็คงไม่ชอบนะงานทาบุญที่ ฟ, ฟุ่มเฟือยหรือโดยเฉพาะการมีหมอสศที่ส่งเสียงดังพรากฏหลวงพ่อชาท่านไม่ร่วมมือด้วยนะท่านไม่ไป ไปคุยกับชาวบ้านเพื่อต่อรองแล้วท่านก็สอนชาวบ้านอันสอนพระวะเนี่ยในเสียงดนตรีหลังเนี่ยนะมันไม่ได้รบกวนพวกท่านนะ่ะแต่พวกท่านนะ่ะต่างหากนะไปรบกวนเสียงเหล่านั้นพระในวันวนี้งงเลยนะแต่ก็ยอมรับนะว่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเสียงไม่ได้รบกวนเรานะเราต่างหากที่รบกวนเสียงหมายถึงใจของเรา ใจที่ผักไสใจที่ต่อต้านอย่างถ้าเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังในศาลานเนี่ยหรือมีเสียงมอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างนอกเนี่ยใจเราเนี่ยนะพอไปไปตรวจ่อยที่เสียงนั้นเนี่ยและถ้ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกโกรธรู้สึกผักใสเหมืนเมื่อไหร่นะว่าทําไมมันดังตอนนี้ไม่ลไม่ขอลดสถานที่เลยใจผักใสเมื่อไหรใจทุกทันทีเลย แล้ยิ่งทุกข์นะยิ่งไปจดจอแลยิ่งจดจอก็ยิ่งผักใสจนกระทั่งอาตมาพูดไปก็ไม่ได้เข้าหูไม่ได้ยินเพราะใจเนี่ยไปจดจอจดจอเพื่อผักใสและผักใสก็เป็นทุกข์แต่ทันทีที่เรายอมรับมันได้เออเสียงดังก็ดังไปใจเราก็จะสงบไปพุทธคยานะเออพิ่งกลับมาเนี่ยพุทธคยานอย่คน ไปกาบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์และเจดีย์พุทธคยาเนี่ยเยอะมากเนี่ยเป็นหมื่นๆคนพลุกพล่านแถมเสียงดังคนไทยก็สวดอิติปิโสพม่าลังกาก็สวดและที่ดังมากคือที่เบต น, นะแต่ก็เพราะคนที่นั่งจะมีคนที่นั่งสมาธิรายล้อมพระเจดีย์แล้วก็ ต้นพระศรีมหาโพธิ์คนนั่งทําสมาธินี่เป็นสิบหลายสิบเลยนะแต่ก็สงบเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงเลยถามว่าเขาไม่ได้ยินเหรอเขาได้ยินนะแต่ทําไมเขาไม่หมุดหงิดดูเขาสงบเพราใจเขายอมรับยอมรับเสียงเหล่านั้นอาจจะรู้สึกรู้สึกดีกับเสียงเหล่านั้นด้วยเพราะเป็นเสียงแห่งศรัทธาศรัทธาในพระธรรมตรัย เป็นเสียงที่ออกมาจากใจดวงเดียวกันพอใจไม่รู้สึกลบนะกับเสียงสวมดมนต์เหล่านั้นเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากนะเสียงดังรอบตัวนะัแต่ใจสงบใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ผักใสยอมรับมันได้ต่อมาประทับใจนะที่ได้ฟังอาจารย์ประมวลอาจารย์ประมวลเล่า ว, ว่าตอนอมีคราวหนึ่งจะ กลับไปประเทศอินเดียไม่ได้กลับไปนานละยี่สิบสามสิบปีไปเพื่อจะไปบูชาคุณตอบแทนคุณอินเดียหลังจากที่ท่านเดินจากเชียงใหม่กลับสู่บ้านเกิดคือสมุยก็จะกลับไปจาเล็กที่อินเดียอินเดียนี่หลายคนนี่พอแค่นึงนี่ก็ บางทีก็ใจกับเพื่อแล้วถ้าหากว่านึกจะไปเที่ยวเพราะว่าเจอมีอะไรต่อยอะไรมากมายหลายอย่างที่ไม่ไม่ชอบเลยทั้งอาหารทั้งสถานที่ทั้งผู้คนหลายคนผวาบางคนหลายคนไปอินเดียนีย่ไม่แตะอาหารอินเดียเลยกินแต่อาหารไทยตลอด เพราะว่ากลัวแต่อาจาประมวลเนี่ยตอนที่ไปอินเดียครั้งนั้นเนี่ยท่านน้อมจิตนะเพื่อที่จะไปอินเดียอย่างมีความสุขน้อมจิตยังไงท่านบอกว่าจะเคารพทุกอย่างที่เป็นอินเดียอะไรที่เป็นอินเดียหรือของอินเดียเนี่ยจะมีจิตใจอ่อนโยมนุ่มนวล น้อมรับทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขและท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อินเดียในหลังที่ท่านจาริกก็จะถือว่าเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์นะประทานให้ด้วยความเมตตาเพื่อเป็นบทเรียนดังนั้นก็จะน้อมใจรับและเรียนให้ดีที่สุด แน่นอนอาจารย์ประมวลเจออะไรต่ออะไรมากมายที่ไม่น่าจะเจอหรือไม่ควรจะเกิดแต่ท่านก็สามารถจะเผชิญกับมันได้นะด้วยใจที่ไม่ทุกข์มีความสุขนะตลอดตลอดทริปนั่นเลยทั้งๆนี้ก็มีคนมาขอมีคนมาโกงนะท่านก็ไม่ไม่โกรธใครมาขอก็ให้ใครมาเสนอก็ไม่ปฏิเสธ บางทีโดนคนไล่นะจากที่นั่งทั้งที่จองเอาไว้ท่านก็ยอมพราก็ว่ามีความสุขมากเลยนะเรื่องราวที่ท่านไปเดียวก็เขียนให้เป็นหนังสือซึ่งให้แรงบันดาลใจคนมากอันนี้ก็เช่นกัตอนที่ท่านเดินกลับไปบ้านเกิดทั้งที่ไม่มีเงินติดตัวแล้วก็พร้อมยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นประสบ ก็ได้พบประสบการณ์ที่ดีมากเลยถ้าใครไปอินเดียนี่นะถ้าไม่อยากทุกข์ก็ให้น้อมใจอย่างอาจารย์ประมวลแต่ไม่ต้องรอไปอินเดียนนะธรรมญาติานี่แหละอะไรที่เป็นของธรรมญาตานะจะพร้อมน้อมรับด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวล น, นะจะยอมรับทุกประการอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้จะต้องแม้คิวเข้าห้องน้ำจะยาวก็ตาม ให้ถือว่าสิ่งที่เราเจอในธรรมยาตาินี้เป็นสิ่งที่แท้ผู้สรกษ์ศึกประธานมาให้ด้วยความเมตตาเพื่อเราได้เรียนรู้แะให้เราตั้งใจว่าจะน้อมรับและเรียนรู้ให้ดีที่สุดเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มาสบายนอกจากเรามาทำเพื่อส่วนรวมแล้วเราก็ามาฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยแต่ว่าใจความคิดเราเป็นอย่างนี้แต่ใจบางทีมันก็ยังไม่ยอมนะเราก็รู้ว่า การยอมรับเนี่ยมันดีการปฏิเสธผักใสนี่ไม่ดีแต่ใจมันยังความเคยชินเดิมๆเมนี่ยมันก็ยังมีการผักใยอยูนะ่โดยเพราะความคิดว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่ควรเลยเขาว่าไม่ควรไม่น่าเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรามีสตินะเห็นใจที่บน่นะใจที่โวยวายใจที่คิดหาเหตุผลต่างๆเพื่อทำให้รู้สึก ว่าต้องโกรธต้องไม่พอใจวางมาลงซะหรือไม่ก็รู้เท่าทันไอความรู้สึกนั้นถ้ยเรามีสติรู้เท่าทันนะความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยทีละน้อยทีละน้อยใจมันจะยอมรับได้หัวสมองมันยอมอยู่แล้วนะความคิดมันยอมด้วยมันยอมจำนวนด้วยเหตุผลว่าดีนะที่อาจารย์ประมวลพูดมานีดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ยอมเพราะว่ามันถูกฝึกมา มันถูกหล่อห ล, ล้อมาเพื่อให้ปฏิเสธผักสายสิ่งที่ทำให้ร้อนให้หนาวไม่อร่อยไม่ควรเราต้องมีสติเห็นมันนะมีสติเห็นมันรู้ทันมันไม่ให้มันคลองใจแล้วความคิดนั่นก็จะจางคลายอารมณ์ความสุขนั่นก็จะหายและใจ ก, ก็จะรอมรับและที่เคยแข็งกระด้างจากแข็งกระด้างต่อเสียงที่ดังอากาศที่ร้อนมันก็จะเริ่มนุ่มนวลอ่อนโยน นอกจากสติแล้วนะัานมันมีตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่ช่วยได้อันนั่นก็คือความรู้สึกความรู้สึกดีหรือการมองมันในทางที่ดีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งขับรถีร้ยะทางก็ไกลมีลูกชายสองคนคนหนึ่ง10ขวบ13ขวบอยู่เบาะหลังเด็กชายเนี่ยพอเจอกันเนี่ยก็ต้องยอกล้อกันันงทีก็เล่นกันแรง อันนี้ก็มีการส่งเสียงร้องโวยวายเป็ย่างี้อยู่ครูใหญ่เลยนะแม่ก็ทนไม่ได้ก็หันมาเอ็ดหันมาเอ็ดมาดุว่าเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วเสียงดังรบกวนแม่เด็กก็เงียบนะเชื่อฝั่งแม่สักพักตัวเล็กเนี่ยก็ยื่นมือมาหอมแก้มแม่อล้วยืนหน้ามาหอมแก้มแม่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณแม่ครับ ลองมองว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกทุสิครับแม่ได้สติเลยนะแล้วแม่ก็ลองทำตามที่ลุงแนะนำนะเพราะว่าแม่นี้หายงุนงิ๋เลยแม่ก็กลับมีความสุขไปกับลูกด้วยถึงเวลาวันรุ่งขึ้นเนี่ยปู่ของหลานเนี่ยมานั่งอยู่เบาะหลังมาเบาะหน้าไอ้เด็กก็ส่งเสียงอีกปู่ก็งุนหงิดอันมาดุหลาน แม่ของเด็กก็เลยพูดกับปู่ว่าเนี่ยลองมองเขาเป็นเสียงสรวรรค์เสียงความสุขของลูกของหลานดูนะเขาก็ทำตามนะปรากฏว่าเขาก็หายงิดหมดเลยเสียงก็ยังดังอยู่แล้วก็ดังเท่าเดิมแต่ทำไมใจไม่หงุดหงิดแล้วเพราะความคิดมันเปลี่ยนไปความคิดเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเสียงรบกวนนะแต่มันเป็นเสียงสรวรรค์เสียงความสุขของเด็กมันเปลี่ยนที่ใจนะ แสดงว่าไอ้ทุกเนี่ยนะมันมีเหตุที่ใจเสียงดังรบกวนแค่ไหนเนี่ยถ้าหาว่าเรารู้สึกดีกับมันเนี่ยมันไม่ทุกนะแต่เสียงสวดมนที่พุทธคยายเนี่ยบางทีเสียงคนกําลังก่อสร้างนะค้อนดังมีเสียงเลื่อยยนนะนะมีฝรั่งคนหนึ่งก็นั่งสมาธิอันที่แรกก็นั่งสงบนะนั่งสงบแต่พอมีการก่อสร้างเสียงดังน เสียงคอ้อนเสียงเลื่อยยนจิตมันกระเพื่อมเลยนะรู้สึกงมงุดหิดขึ้นมาแต่สติก็ก็ไหวนะแทนที่จิตมันจะไปเพ่งที่เสียงดังข้างนอกจิตก็มาดูอาการมีสติมาดูอาการของใจเห็นใจมันกระเพื่อมพอความมุดหิดเนี่ยมันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติมันก็สงบ ใจก็เป็นปกติแต่บีมันก็เพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะยังมีเสียงดังอยู่แล้วมีคราหนึงนะฝรั่งคนนี้แกก็ไปพิจารณาเสียงโดยว่าเสียงเรื่อยย้นบางทีเสียงก็แกก็สังเกตนะเสียงบางคร่้งก็ลากยาวบางทีก็กระชากกระชันบางทีเสียงขึ้นบางทีก็เสียงลงบางทีก็ยาวนี่ก็สั้นแก ฟังไปฟังไวมันเหมือนเสียงดนตรีเลยนะและพอใจจิตนาการมันเป็นเสียงดนตรีนะใจไม่กระเพื่อมแนละ้วใจสงบถ้าจะกระเพื่อมกระเพื่อมขึ้นนะั่คือเพลินเพลินในเสียงเสียงอะไรนะเสียงเร่ยยนเสียงยังดังอยู่นะแต่ทำไมใจไม่ทุกข์ละเพราะความรู้สึกว่ามันเป็นเสียงดนตรีเสียงมันกระทบหู แต่ใจไม่กระเทือนใจกับเพลินเพราะว่าหมองวเป็นเสียงดนตรีบางช่วงเสียงมันหายไปนะก็ยังยังโหยหายแล้วไอ้สมัยเสียงเงียบไปนะมันก็ไม่ดีนะเพราะว่ า, าไม่ควรจะเพลินแต่ว่ามันก็ดีกว่าทุกอันนี้ก็เป็นตัวช่วยทาให้ใจยอมรับได้ไอ้สิงรลายๆเนี่ยถ้าเราลองมองมันว่ามัน เ, เป็นของดีซะใจก็จะยอมรับได้ง่าย มีหัวหน้าพยาบาลคนนึงนะเธอเป็นมะเร็งและมะเร็งที่เธอเป็นต้องใช้ต้องใช้โดสต้องใช้การรักษาด้วยการใช้แสงและการฉีดเคมีนะ์ในปริมาณที่สูงนะซึ่งหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่แพ้แพ้อย่างแรงเนบงคนแพ้จนทนไม่ไหวเลิกแต่หัวหน้าพยาบาล น, นี้แกก็สามารถจะรับ การบําบัดทั้ง2 อ, อย่างเนี่ยจนครบคอสแล้วก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เพื่อนก็ถามว่าทาไมเธอไม่ค่อยแพ้เลยทําได้อย่างไรยินดีหรือเปล่านะ ห, หรือมีของดีเธอก็บอกไม่มีอะไรนะเพีเยงแต่ว่าเวลาเธอได้รับการฉายแสงเธอก็นึกว่ามันคือแสงสวรรค์เวลาฉีคีมโมเธอก็นึกว่ามันคือน้ําทิพย์ พอใจมัคิดแบบนี้ใจมันก็เปิดรับพอใจเปิดรับนะร่างกายก็ไม่ต่อต้านต่อต้านน้อยมากมันก็เลยมีอาการแพ้น้อยแ้วมันมันเกี่ยวข้องกันมากนะถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่กำลังได้รับเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉายแสงหรือว่าเคมีมันเป็นอันตรายมันน่ากลัวแค่จะเข้าห้องมันก็สั่นแล้วนะ ไอ้แบบเนี้ยนะชัวร์เลยนะจะแพ้อย่างมากเลยแต่ถ้าใจเรายอมรับได้นะแสงสวราร์น้ำทิศกายมันก็ไม่ไม่แพ้มากฉันถึงบอกเมื่อวานนะวะ่าเวลาใครที่เจอแดดแรงๆเนี่ยแล้วกลัวนะฉันจะมีไฟฟ้าจุดดังดำตกกระ อย่างเี้ยชัวร์เลยนะจะเป็นเลยเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับกายมันก็เกิดอาการตอบต้านขึ้นมาความเครียดก็มีส่วนทำให้เกิดอาการืิอฟ้าไฟฟ้าหรือว่าตกกระได้แต่พอใจยอมรับมันนะใช่เราเรามาเออแสงแดดที่ได้เราวันนี้คือแสงสวรรค์นะ แสงสวรร่างลองมองวันนี้แนละ้วใจมันจะยอมรับมันไม่ต่อตา้านเลยเครียดกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะเพราะนั้นลองดูนะเวลาเราวันนี้เราเดินนะถือเป็นการบ้านก็แล้วกันนะว่าไม่ว่าเราเจออะไรในธรรมญาตราทั้งระหว่างที่เดินหรือระหว่างที่พักแรมนะยอมรับทุกอย่างยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข รับรู้ด้วยจิตที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะถือว่าเป็นสิ่งที่แทพผู้ศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้ด้วยเมตตาน้อมรับเพื่อที่ได้เรียนรู้ให้ดีที่สุดเอาชาติในวุฒิทรรมนี้น ะ, ะกับพระพร้อมกัน